เครหัตที่ไม่ใช <b> ่ญาติภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติเขาไม่ได้ปรณาไว้ก่อนเข้าไปหาช่างหูของเครื่หัตกําหนดชนิดจีวรต้องอบัตินิสักคยาปาจิตตีครหัตที่ไม่ใช่ญาติภิกษุไม่แน่ใจเขาไม่ได้ปรณาไว้ก่อนเข้าไปหาช่างหูของเครื่หัตกําหนดชนิดจีวรต้องอบัตินิส ที่เป็นญาติภิกษุไม่แน่ใจเข้าไปกำหนดชนิดจีวรต้องอาบัตรทุกกฎพรราษที่เป็นญาติภิกษุสำคัญว่าเป็นญาติเข้าไปกำหนดชนิดจีวรไม่ต้องอ